เปลี่ยนสลับกันเวลาสวดกับเวลานั่งอนได้เย็นก็กัน นี่ทีนี้พู่ว่าเคยนั่งพวกมาค้ยกันนี่ยนมาคิดว่าเคยนิ่งสวัสดกันยังไงก็ค้ยกันค้ยกันมันทำห้ใจของเขานี่คงสร้างไปตามสัญญาอารมณ์มันปรุงแต่งให้เกิดความนึก ไปแนวนั้นแนวนี้เพราะนั้นการทำสมาธินี่ <c oughs> บีบใจสติบีบใจเมื่อเวลาบีบจูแ ล, แล้วก็เลยมีความสงบความสงบทำไห้เฮามีความสุขนี่เวได้รับความสงบหลายเมื่อกี้เห็นความสุขหลาย <c oughs> จนว่ามดมือมัดเคลื่อนใดยางดีอันจิตสงบดนโดนก็มีพลังสติปัญญาเนี่สินสมาธิปัญญานต้องมีสมาธิสิมีสมาธิเพราะมีการกระทําอ ก็คือเอานังทำให้เป็นสมาธิให้เกิดทํำสมาธิให้เกิดขึ้นสติเป็นผู้เรี่ยมใจสติเป็นผู้บังคับใจว่ให้มันปุุงมันแตงว่าให้มันปุ่งมันใส่กันเสียงถือใจการดีใจกันเสียงบ่ถืกใจ ก็บบสบายใจเด็มันจังมีรูกพระปิดทวารเพื่อเป็นการสอนใจให้คนเฮาปิดเวลาเขาปฏิบัติธรรมนะหรือไปพ่อเหตุการณ์เนี่ยใดมันสีบดใดมานั่งสมาธิภาวนาเฮาก็แก้ไขได้สิ่งใดก้นปิดตาสิ่งใดก้นปิดหู ยิ่งใดก็เปิดดังเปิดหูใส่หัวเปิดตาสองข้างเปิดปากตบังนีอายุสบายก็ใส่ก็สบายเมดเขาว่ามากก็นอนบัรับเอาไปแบกไว้ถือไว้แล้วก็สบายอขาได้เห็นสิ่งที่ถูกใจหรือไม่ถูกใจ เขาขอรับลูกเห็นไหมทีนี่ส่วนมา ก, กบอกรับลูกเพราะว่าเห็นเขาสวยเห็นเขางามแต่อยากแกลงให้สวยให้งามคือเขาเห็นเขาห่างเขามีใส่เผ็ดนิ่งกินดาอนาฬิกาตาข้าแพงแหวนเพชรตาข้าแพงหมดทำใจเพราะเป็นก็เกิดความโลภเกิดความอยากได้ คันหาด้วยกำลังสติปัญญาตนเองบ่ได้เป็นเกิดอยากผิดศีบบลบนนี่บ่ได้เนี่ยนี่การสติบะรูเท่าท่านไปหาขมุ่ยเอาเนี่ยขมุ่ยบ่ได้ก็เกิดตน้นเกิดจี้เอามุ่นอะไรอย่านี้มันนาํามาทําใหม่เฮานี่เสียไดเลยเปนบ่มีบ่มผิดอ่ะอืม ปหูปิดตาปิดปากปากคือกันได้ยินเสียงเขาว่าท่านนั่นท่านนี่ย่องมันดีใจกันติเพรมันเสียใจนี่ยังบทชน์เม่นปิดตออตาโมนี่ก็คือเพราะเม่นติดกันเห็นสิ่งของติตใจก็เพื่อมไปตามตาเห็นรูป <c oughs> <c oughs> เห็นรูปพ้นก็ดีเห็นรูปสิ่งของก็ดี อันผู้ที่ปิดได้ก็คือบ่หลับเกิดกลุมปุ่งควุมแจงอันนั่นเรื่องของเขาเขามีเขาก็ใสเขาก็ยินดีกับของเฮาได้พอใจกับของเฮาหมีมีจังใดก็ใสไปใส่ดีใส่โกใส่เจ๋ใส่สวยใส่งามปันไดก็บปอบนดอกแจเก็บตายนี่แกล็ดก็แก่ก็เก็บก็ตายมาอวดมาโอ้มาโชว์กันแบบ กิเลสเอากิเลสมาหลอกกันที่นี่ถ้าคิดรายละเอียดตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วคนในโลกเลยอยู่ด้วย้มโอ้อวดหลอกลวงกัน อ, อยู่ด้วยมหลอกลวงปีนปอนกันเพราะกบบนั้นเมื่อเวลาอยู่ด้วย้มหลอกลวงปีนปอนกันเราก็หาความสุขมาจากสา <c oughs> เอย มันอยู่ขมสูงได้โลกอันนี้มันเด่นกวัดแกงสแสวงหาเมื่อเมื่อเท่าคำกังค ำ, ค ำ, ค ำ, คำบ่ยเยืนกังเคลิค้นบ่อยยู่ปรุงไปแต่งไปหาไปปรุงไปแต่งไปหาไปนทัทธิทันหาสมานาที่แม่ดาบแม่น้าเสมอด้วยเจเลตันหาบ่มีงานแม่น้ำหลายไปได้อยู่ในโลกอันนี้ ยังสู่น้นํเกล็ตัณหาบาได้ผนมันหายไปนั่นแล้วเพราะฉะนั้นจังเป็นเหตุให้เข้าร ล, ลึกนึกถึงก็ามาปิดหูปิดตาปิดปากเอาจิปิดปีธีใจเห็นดีนั่นแหะพระปิดวานบอมันได้พระไปแฉนแล้วเข้ากับาสังรวมบลรมัดระวัง ตาเห็นลูกหูฟังเสียงดังลมจินดินดิ่มรดจึงสิกับมดสองรวมแผนบสังรวมเบาเบรบกใจไว้ก็ใจก็ไปตามสัญญาอารมณ์ตามควมปุงควอมแตงนี่ว่าเหตุ น, น้ำใจเป็นเหตุอุปมาอุปไมย ใ, ให้เข้าสอนใจฝึกใจอบรมบ่มนิสัยของใจให้เกิดให้มี่ ใจเป็นหน่ายกายเป็นเบานั่น ใ, นใจบังคับเข่ามาสู่ศีลสู่ธรรมเกิดก้มโลกมา ก, กาเข่าสมาธิ เ, าเกิดก้มอยากได้อยากดีอยากห่างอยากนี่เกิดก้มทุกข์ก้มยากักว้มลําบากของกิจใจเข่าทําสมาธิสิ่งที่สวยได้คือเข่าทำสมาธิเย็บไข่ได้ปุวยเป็นโลกนั่นเป็นโลกนี่คือเข่าทําสมาธิ หรือเขาทำบุญนี่นี่คนนู้นบ่กเขาใจกันไปวัดงานวัดงานว่าวันฝ่าวันยังก็บรรจุทส่วนกันไปทำบุญไปทำบุญไปแล้วว่าเขาจะคำว่าทำบุญคือเหตุทางไหนวิจาของประเหตุพระเจ้าพระสงค์เกิดกิเลสของเกีเกเกเกเ่ยวของสันของใส่บาตรใส่พกยังสมยัย เกินพ่อดีแล้วเกินพระพุทธเจ้าแล้วนาละอายพระพุทธเจ้าวันอยู่วันเชร้าก็เกินพระพุทธเจ้าเนี่ยน้องเนวห้มก็เกินพระพุทธเจ้ายารักษาโรคก็เกินพระพุทธเจ้าเมื่อเกินน้าขังน้ําแอ่วมอื่นนี่ติดตำละมัดทั้งนั้นตัวหของพระพุทธเจ้าหลวงฉันยาดองด้วยน้า ม, มาูดเน่าดองหมกหมอแทนนั่นนี่อันนี้เสริมก็ไปบางขู่บางก้น แล้วร้านขายของเอาปรมัติตไปถวายพระเจ้าประสงค์ก็จัดให้จัดให้เอาไปถวายพระพระบรุรลษชั้นของผิษ ม, มีนี่ก็บนีเออสมัยนี้หมากเอียงเคยเมื่อวาเป็นหมากคําปลอมเมื่อหมากเอียงก็เมืมเเม่วา เ, เ, เป็นยาเมื่อคนอินทพลัมก็จว่าเป็นยาอา่า <c oughs> นี่ยงังเเอื่นเ่าแก้หน่อยสาหลายก็ว่าเป็นยาน่ยเพรามก็เจ้านิยมเห็ดฉันกับพวกประเภทอาหารหนึ่งจัดเข้าพวกประเภทอาหารตัวะว่าเป็นพวกยาดิถ้าให้ละเอียดอีหลีก็คือมะขาป้อมสมมอ นี่แก ว, ว่าฉันจะรองด้วยหน้าหมดหนอกไปรองได้ละหมอเวล า, านั่งสมาธิภาวนาติดต่อกันได้หลายหมื่นมันถ้าไม่ท่องผูกนั่นอันนี้ก็ไปทั้แก้วสองแก้วกับระบายปกติเห็นไหมอันนั่งสม่ําเสมอกันโดนๆจึงไปใส่ทีนึงที่ท่องผูกเลยเข้ามานั่งสมาธิที่นี่ข้นส่วนมากนั่งเพราะท่านเป็นสมาธิ หรือบางคนพอท่นนานนั่งต่นี่จเป็นสมาธิอย่างไรถึงเจ็บขากรรไปวดขากรนไนั่งบ่ได้หรอกมันจะเป็นโรคเน็บซ่านั่งบ่ได้หรอกเวทลักอนามัยลักอนามัยเนนั่งเก้อาอี้คนนั่งเก้าอี้มันก็วายขึ้นเก้าอันแล้วจัดให้ถือคนได้แบบทุกขเวทนาข ม, าม่ามากเก็แก่บ่ได้คือนเกน้าอันแลกนใจบอก ตัดจากก้มเจ็บก้มปวดจากคก้มทุกขเวทนาะเพราะฉะนั้นควนจะอาศัยชัด จ, จะกปรมีพระพุทธเจ้าเอาตามใจว่าอะไรเอากันนั่งกันนั่งแท้หัน่าบ่ากัดลุกกัดิดกกับบ่กัดลุกเดกกักดเดกแท้หันว่าได้เป็นพระพุทธเจ้าคือมือนี่ขึ้นนี่สี่วรรล้อมปล่อยโมลุกจากทีสั้นนี้พระพุทธเจ้าคนอธิษฐาน ออ <c oughs> คนยังบอกไว้แล้วคนใดเห็นทุกคนนั้นเห็นธรรมมีพระ ก, กันฑ์นางเห็นทุกข์ขึ้คนบ้านหลวงพ่อพระพานางหลายๆหเห็นทุกข์เว่าเดอกพันหลวงพ่อพระพ่านางจนกว่าทุกข์เกิดขึ้นมันเพ่งขมา่ า, าเองละบ้านปะันใดจะเศ้านะ้อปันใดจะเศ้าน้อมันเจ็บติตายติตายุดนั่ น, นเห็นบ่า กานศรัทธาพวกีมันก็ใจตัวนี้ก็เป็นช้นมูอส้อนพวกบางโขบางคดก็นั่งเพอสติก็ลับไปก็มี่นั่นเพราะฉะนั้นจึงบริภาษ์นางโดนแน่น่ำพัฒนารักษากิจแน่น่ำก็คือบอกบอกแล้วก็ไปทาฟังทมให้ทมเป็นท่านมีอานิสงส์หลาย นี่ให้ทํา้วยเป็นบาลุงพอหามาได้ไหลายเมื่อแก่เต้แก่ือจะว่าแจกควอมบอกคือบอกกินเข่าได้ไหะคือบอกทำหน้าบอกปูกก๊กไม่อยากกินมากไม่ให้ปูกกกไม่นี่ท่านบอกไปทําไปเฮ็ดเราก็ห้องก็ได้ผลตอบแทนขึ้นมากก็คือได้ผลละมากลาบไม่ กันว่าเฮ็ดหน้าก็ได้เขา่าเม็ดเข่ามากนี่ทำบุญก็คือกันเน๊บว่าเป็นบุญจะเกิดสิมี่เพราะขอเอาบุญจะเกิดสิมี่เพราะปฏิบัติเอาอยากแน่นนักมาแนะมาน้ำโชว์ขั้งถูกข้าวกับมาเน้นหนักภาคปฏิบัติจุดนี้เพราะว่าเห็นคว่ำรู้ลาเห็นคว่ำฝุ่นฟ้อยของพระของเน้นแล้วุมุน มันเกินพระพุทธเจ้าบ่อเมนพระพุทธเจ้าคือช่วงระยะหลวงพอบวชไม่ไม่ก็ทุกหนักลําบากขึ้นกันบางมือมีอาหารบางมือไม่มีอาหารบางมือแทบกระเขาะเป่าๆก็นนีสิบอ่ออิ่มจังแต่บ่อิ่มกับสวัาสาวดีมันมีแค่นั้นน่ะเขบอเห็นตายได้หรอมือได้น้อยแต่ได้เงี้ยภาวนาดีเดินในกลมเบาเวิงวิงเวิ ง, วง นั่งสมาธิบ่มีเก็บมีปวดนี่คนเท่ากับเศ้าบระเด้เศ้าปรได้นั่งปรได้๋ยวบ่หาสาเหตุเด้อจนมากบอกตันยัโยมมิตรว่านั่งปรได้นั่งปรไเดี๋ยที่สาเหตุจากอนไดบนเหตหาเพิ่ทําหาเออพระเจ้าพระสงค์ผลเหตหาผลทาหาชั้นหน่อยเป็นทั้งไดฉันนายเป็นทั้งไดฉันอาหารเป็นทั้งไดเพราัน อ, อาหารมันเป็นทั้งไดเน้นหนักภาคปฏิบัติ แนวดจโบงวง่องแนวด้สติอี่เอามาฝึกเอามาหัดเอามาดัดยิดดัดใจเอใจคนเท่าเนี่ยันพวกดัดต้องไปตามความปรุงความแตง่งโตสติพี่ละเป็นผู้ดัด <c oughs> สติเป็นผู้เลี้ยงเด็กหน่อยต้องมีผู้เลี้ยงใจคึกกันกับเด็กหน่อยอันบ่มีผู้เลี้ยงถ้าไปตัวตีบตัวแดนปรุงแต่งไปตัวตีบตัวแดน นี่เมื่อเวลาคนบริจากประพฤติปฏิบัติคนบริจากฝึกหัดจุดนี้โอ้ยแล้วท่านอาจจได้เห็นสินเห็นถ้ำ อ, น อ, อันละเอียดเฮตุละเอียดตัวใดพิจารณาตัวใดจึงเห็นของละเอียดขันว่าพิจารณาให้ละเอียดตัวใดเขาก็เห็นแต่ควมปุงแตงควมฟุงซ่านควมล้ำค่าญแล่นนําจิตใจผักวักผักวกอูเพราะเป็นนั้น ใจดึงไปใสก็ไปเพมีสติเบรกไว้นี่เพราะฉะนั้นเป็นจังหอมีสติตัวนี้ไปเบรกใจไว้คนขับรถเหนว่มีเบรกอันตรายนี่ใจของเขานี่เันว่มีผู้เบรกอันตรายตัวอยากได้ยังได้อยากโลภยังได็เหตุตามใจนี่เพราะฉะนั้นเป็นจังหอเบรกใจก็คือก้มอดทน สูบมได้เฮ็ดมาได้ทำมาได้แต่ดดดอดเอานั่นใส่ความอดทอนเราก็มานั่งปฏิบัติจุดนีล่ล่ะเกิดโมโ ห, โห เ, โโเกิดโทโสเกิดความบ่พออกพ่อใจกับผู้ใดก็ตามแต่มีปัญหากับเรื่องใดก็ตามแต่เขามาเบีกจุดนี่เจ็บไข่ได้ป่วยแนวด้ก็ตามแต่โอสัตถังโอตะมั่งวัลังโอโอสดของพระพุทธเจ้า มารักษานี่คันบําเพ็ญข้าวกระเศร้าคันถึงข้าวมาแล้วหมอได้ก็คือเกา่าดีเป็นได้ก็คือเกา่าหมอดีเป็นได้ก็ตายเป็นคือนกันไปแล้ว <c oughs> ไปหลายรุ่นหลายคููหลายคนหลายหมอแล้วนั่นมีสิเหลือไว้ในโลกกันเกิดมาแล้ว ปฏิบัติสินถ้ำบ่เห้มาเกิดมากแกมากเก็บมากตายอันบ่มากเกิดกับแกเก็บตายกับบ่มีทุกยากลําบากกับบ่มีนี่อันบ่มีจุดนี่กับบ่มีพระเจ้าประสงค์สกล้าหารในภาคปฏิบัติเสียสละถูกจริงถุกอย่างมาประพฤติปฏิบัติเพราะควอมสะดวกสบายของโลกมันครอบงําไว้เด็กอ่านผู้ว่าเขาใจกับว่าพระเป็นบ้าคือกันนั่นละ บอสนุกสบายโลกแต่งมาเราเป็นจ้าหาหนีไปฮาอยู่ผู้เดียวนั่นผู้ปกครองใหญวท่าวพระเป็นบากปเราท้เสวาไปอยู่กับใจการบวชการประพิปฏิบัติเลยเพได้มุ่งแนวอื่นเพรเดเพื่อให้คนย่องย่อสัญญาเถินบ่อยคนติขินนินท่า คุณสีว่าสีดาแนวใดวิธีใดก็ปล่อยว่างมืดใ น, ในในการทดสอบจิตใจนด้เวรบาศสวัสดิ์บวชก็มาเราก็หอมผ่าเหลืองแท้หัวซื้อฝึ ก, กจิตฟึกใจให้ปล่อยให้ว่างให้ละให้ถอนอทูกจริงถูกอย่างเป็นอยู่จึงสี่เรื่องของโลกเรื่องของสงสารเราก็มีเกิดมาเราก็มีหัวหละเราก็มีร่องให้ละคนปนเปนกันอยู่จึงสี่เสี ย, ยใจก็ร่องให้ <c oughs> ได้ของมาถูกใจกับหัวละเท่านั้นนี้เพราะนั่นแต่ก็บบ่เทียงแทะแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกในสงสารนี่เพราะมีแน่วเทียงแทะแน่นอนพัฒนะเกิดขึ้นตั้งตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่กันเอาใจใส่แม่ทองตัวนี้มาพิกกรณนาตัวนี้กเขาเขาแล้วยินดีอันไรแล้วในโลกในสงสารนี่มันไม่มีแนวยินดีมันไม่มีแน่วสุข พวกอามิดสุขเพราะมีเงินมีทองเพราะมีนั่นมีนี่เป็นเรียกว่าอามิดสุขดิลูกเต่าร้านเลนครอบ ข, อบขั้วถูกอกถูกใจดีเมื่อแต่กับว่าเทียงแท้เนี่ยนอนคือเก่านี่เป็นเรียกว่าอามิดคือมีนั่นมีนี่มาทําให้ใจมีความสุขนี่นล่ามิดสุขคือสุขในสินร่ำนั่นสุขในธท่ำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติสินร่ำ ของผู้ได้เจ้าแล้วก็มีความสุขใจ่บ่มีผู้ญาติผู้แหงและเป็นจริงอยู่ทั้งสันโน้มหายตายจากไปความสุขยุดนี้กัดนั่มไปได้นิราเมตสุขอี่ยมใจความอี่ยมใจบัดอาเมตสุขนี่เาได้นั่มไปได้เหมือนสมว่าเฮามีความสุขเพราะมีเงินมีทองสังขาร่างกายสะดวกสบายอุดมสมบนทุกสิ่งทุกอย่าง แต่เราก็ยังบบพ้นคือขันเขาเพจากไปเขาก็จากไปนี่สิ่งที่เขาชอบใจแล้วแหละ <c oughs> สิ่งนั้นเพราะจากเข้าไปเข้าก็จะได้จากเขาไปนี่เป็นจังววาอามิรอามิรสุกโสนิล่ามิรสุกอะไรนี่นิลาหมิรสุกจะเกิดกนคือเขานั่งสัวข้าวได้ดใูในสติดีก็เห็นความสุขพราะคิดหนึ่งนั่น ถูกต้องแหะตัวที่พันบอกไว้ซุบเอินยิ่งกลัวคว่ำสงบพอมีนั่นอันใจสงบเราของก็สุบเวลาเขาเก็บเป็นเอ็นอุ่นเข้ากะจิเขา่เขาสมาธิจุดนีได้โดยเฉพาะยังยิ่งเวลาเขาจิตกับบ้านเก่าหรือคําว่าสิตายเนี่ยละ่ะเข้าเคยเฮตุดได้เข้าก็เข่าปั๊บประเดียฉันบอเค ย, ยเหตุทักท้วงในห้องโหัโพสังกาของไปหาหมอเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้ผ้าไปหาหมอ วองตรงนันตรงนี้พ่าไปหาหมอย่ไสาบันนสไปมัดตลอด้งเมืองนอกเมืองหน้ากับปูงแจงแรนไปมดอุ่นบางขูบางก้นเสียชีวิตจุเรื่องครื่องบินบุกมีไปว่าหอดหมอนั่น <c oughs> เพราะฉะนั้นเข้ามาจุดนีใจเขากระติปลอยว่างเออกำมุหน้าวัตติโลกโกมันจะเกิดขึ้นในใจเขา ผู้ที่เกิดมาบ่ามีโรคไข้ไข่เจ็บเป็นลาดลาบอันประเสริฐเนี่ยผู้เกิดมาไมีโรคไข้ไข่เจ็บข้อกรรมอันใดน้อสางกรรมอันใดน้อบางขู่บางคนคือบ่เก็บไข่ได้ป่วยบ่ไปหาหมออย่างเจีย บ, บ, บางขู่บางคนเคามาแรงมาไปหาหมอคำมาแรงมาไปหาหมอบ่เว้นแต่ละมือเอาคำนี่มาพิจารณาเพื่อรู กรร ม, มุหนาวัตติโลกโกสัจโลกเป็นไปตามกรรมสร้างกรรมไรไว้กรรมนั่นตามสนองนี่คันวุติสรพบนี่ชาตินี้่ตะก้อนจักจะได้พบจะได้ชาติจักจะได้กลับจะได้กันคนนู้นเว้นว่าเกิดมาพบเดียวชาติเดียวด้ิหลายพบหลายชาติหลายกลับหลายกันเปลี่ยนแปลงไปนี่ฟังจังหวะแง่ไปเข็มลงบนได้ก็พ่อกองกระดูเกเจ้าของอยู่บ้านหาัน เกิดด้วงปัญหาเนี่ยไปยืน ป, ปนั๊บปัญหาเกิดยืนกองกระโดด ก, กับของก็บ้าน้นนี่พันบ่ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปก็บรเสยาภรณ์เจ้าแล้วเกิดมาเราก็ตายตายแล้วก็ศูญเหมืนว่าตัวก้ควมคนว่าเดี๋ปฏิบัติอันละเอียดเข้าไปเพราะฉนั้นการแนะนําสั่งสอนบอกก้าวเลื่องศีลร้ำนี่มันยากยากสิเข้าใจยากสิปฏิบัติได้ คำว่าพนังง่ายๆเบ า, าๆสบายสบายแบบนี้แต่ปฏิบัติเท่าทีไปเหตุเป็นอย่างเหตุหนักกว่านี่เพราะว่าเรเห็นด้วยคือตาเหนือตาธรรมพุทธะเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาเรียกว่าธรรมะาจาักสุเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นพุทธะจึงจะได้เห็นคำว่าตัวบุญเป็นทัง้งหลายคำว่าความสุขในการปฏิบัติเป็นทัง้งหลานั่น เพนชี้ขาดบอกขาดไว้เมัดพระพุพธเจ้าก็่มีผู้ติเถียงใดผู้ปฏิบัติรู้เองเห็นเองนั่นกันบวคิดตัวนี้ก็มเมต่เสื่อน้ำผอ้อื่นมูผ้าไปวัดมูพ้าไปฟังเทศว่าบัดเ <c oughs> พิ่นบอกแล้วบอกไปทาฟังแล้วก็ทิ้มนั่นะฟังเทศ ฟังธรรมฟังแล้วเอาไปถ้ำไปไปฝึกปฏิบัตินี่จะท่ายีจริงจังก็อยู่บ้านของเฮาได้เวลาดีๆประเด็นห่วงหน้าห่วงหลังลูกเต่าล้านเล็กเหรียญปากปอนไปเมา่อเข้าทีนั่งตัวในทีนอนของตัวเด่นกับนั่งได้พระพุทธเจ้าอยู่ตรงหนุนตร ง, ตรงหงั <c oughs> <c oughs> ่งวาตาเฮาเห็ดทั้ง ภาคปฏิบัติดีพระพุทธเจ้าของเจ้าหันุนเฮ็ดให้หเป็นผีเฮ็ดดีเป็นเทวดาอพูดให้เป็นผีพูดดีเป็นเทวดาเนีอยเขาพูดดีเขาปฏิบัติดีตัวนั่งยืดเสื้อไหมเขาไปหาปนหาจี่หาข่าหาขโมยของผู้ใดนั่งเบื้งล้มหายใจเข่าหายใจออกนี่เฮ็ดดีมีแค่นี้ไหม ที่นี่ตัวพื้นดินตัวไม่อยากเหตุก็คือตัวใจตัวสตินี่อยากเหตดดีอยู่รู้เท่าว่าทิ้งนี่ดีเนี่ยมาดนใจเสมอก้อกวรใจเอิอบอาไปด้วยกิเลสแล้วผู้สิสะสมกิเลสคือใจนี้ใจหักใจโลภใจโกรธใจหลงใจโมโหโทโสใจขีเกียดตขีข้านนั่นเอาอย่างไส่ใกล้ใจเมื่อกว่าไวลาเพว่มสุขแกรบอะ นี่อุบายของพระพุทธเจ้าเป็นจั้งไ้เอาสตินี่บีบใจไว้วหามันปุ๋งมันแต่งคยปุ๋งเคยแต่งกับปล่อยมันไปมาเนี่ยกุฏิตั้งอกตั้งใจว่าให้มันปุ๋งมันแต่งเบีบดไว้บังคับไว้มันเบีบดประยูนก็นั่งมันโดนโดนเน่พระพุทธเจ้ามันประยชนมันอยากไปนั่นไปนี่จิตไปนั่นไปนี่บัตมันเก็บเขอมามันมุดย่านตายมันก็ยู้ถึงตัวฮะพระแม่คู่บาอาจารย์เป็นยังแน่นนัก พระอาพาธตะกรันพุขาป้าเขาดงอย่างโบมี่ยาคือสมมือนี่ซ้ามีตะไบขี้นิ่นพุ่นเมื่อได้ย่มมากเขาก็ได้ถวายให้ได้ฉันได้ขี้นิ่นพักขีนิ่นนี่ขมก็พักกระเดาอีกเด้อครั้งเขาจังมาเอื่นว่ายาขี้นิ่นยาขี้นิ่ตะกรันเป็นน้ำและหนึ่งเหลืองกินเข้าไปนี่โอ้ยฉันเข้าไปนี่ผมปิด เพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็คือนังโดนโดเนี่ยมันเกิดทุกกับเวทน า, ขาเขาม้าเจ็บปวดเกาไปกับทนเอาปดเจ็บปวดเป็นได้กับทนอยู่ฉะนั้นเบิง้งกำหนดเบิง้งตัวเจ็บตัวปวดนี่เป็นคำว่าเบิ้งเวทนาตายเวทนาจิตธรรมนี่เรียกว่าสติปัฏฐานซีถูกไหมสีเบิ้งเอาทุดไดนก็ได้เอคําว่ากายก็คือล้มเข่าล้มบกก็มันกายเนี่ อยู่ในรักสติปัฏฐานทีดิก <c oughs> ายเวทนาเวทนากัเวลาเก็บปวดอยูน่นะกำหนดมึงมึงไปมึงมาก <c oughs> เอาไปมามกก็หายาปล่อยตายใส่เอามึงกี่ตายก็ตายซาประถิโยกตายออกใช่เปล่าปล่อยมันโยกเก็บออกเพราะมันตายแล้วมันก็เก็บแล้วนี่จังเลยว่ามาขนในพ้านอยู่ฝากปลาตายอย่ะะ ปล่อยตายใส่เลยเก็บเป็นวัดใส่เก็บบกเกินตายดอกนั่นนี่แหละวิธีที่เถีงเยงครับจิเลติแตกัน่าอยากเห็นสินเห็นถ้ำคือพระพุทธเจ้าก็ต้องเหตตามปฏิปทาของพระพุทธเจ้าบ๊วยเบนบา้าจะเป็นดอกหลอกแหลกๆคือทุกาตา น, นี่บ๊วยเบนนี้ถ้ำมะของพระพุทธเจ้าเหตจริงลูกจริงเห็นจริงพ้นจริงนั่น มันจะเห็ุเล่นๆหัวๆจะเกิดยอกเล่นยอหัวเจนี่ชาวไทยชาวพุทธชาวไทยชาวพุทธทานศีลภาวนาว่าไม่ได้ขาดมาด้ออ <c oughs> ได้อยู่ท่านแต่ว่ารักษาศีลก็ภาวนาดิได้อยู่รับข้าพระจากพระไปจากชัสมองสองสงมองบางขูบางคนบางงานรับท่านพ่อสมองสาเน้เห็นบอกงานจบปะ ขอรับศีลขอรับศีลพระล้องไปแล้วพระท่านหรือพรท่านลง้งแจกเรากินกันเป็นแถวกันอยู่่นเด้ยวักศพก็ขอของผู้นั่นผู้นี่ขีต่ต้มขี่ตัวมุ่นนี่ว่เป็นไปทั้งบริสุทธิ์เหมือนกับนั่งสมาธิพระพุทนานกไ็ไปคองไปฆ่าแต่ตัวเป็นจัง ห, สห์สสางทธิ์สะอาดศีล ส, สมาธิปัญญานี่ของพระนด้ ของญาติของโยมทานศีลภาวนาได้ทั้งท่านเดี๋ยวนี้วันน้ำวัดวันศีลวันพระก็พ้นละย่างหามสามขาพ้นละย่างสามขาขอวัดพ้นละเปนพวกนุ่มแน่นก็นั่งจั ก, กว่าเป็นค้าอี๋มาเข้เามาว่านับถือพุทธศาสนาเป็นชาวไทยนับถือพุทธศาสนานับถือแต่สามนโน้กข้อแต่ตนเองบกไม่การปฏิบัติ ฮันนับถือแล้วก็ต้องปฏิบัติถึอตัวนั่นของพระเจ้าทรงอรนุญาตในเนี่ยเด็ดน้ำมูลเจ้ามันก็ บ, บ่มีปัญหาถึงตัวบัดทำย่อมคุ้มครองผู้ปฏิบัติทำทำย่อมรักษาผู้ปฏิบัติทำไม่ให้ตกไปทางขั้วมันว่าเฮ็ดว่าได้เฮ็ดว่าได้นานก็ยุ่กับเจ้าของคือก้อนแล้วเย็บไข่ได้ป่วยเป็นรอดได้เขาทั้งนี่แล้วเขาทังสมาธินี่ล่ะ ห่วงกรรมห่วงเว้นได้เห็ุกรรมเหตุเว้นแนวใดแนวใดแนวใ ด, ดใจมันบ่เลืมหรอกโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ยังมีชีวิตนี้บ่เลื่อมด้วยเห็ุค้อมซัวเวลาใดาใจตัว น, นี้บ่เลืมอด้เห็ุขวอมดีเวลาใดใจตัวนี้บ่เลืมอด้นี่เพราะฉะนั้นอยากอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเว้นไม่ต้องไปเอาสื่อสิ่งสื่อของไปตวายพระหง่าย ก็นั่งปฏิบัติในมีบุญมีบุญเอาทรงบุญในเขาตัวอันมีบุญส่งอย่างให้เขาเจา้าเจ้ากรรมในเว้นเขารับส่วนบุญอย่างเดียวเด้เงินทองของเขาเนี่ยนั่นนี่เขาปรลับเด้พเพราะเรื่องของระบบของไก่มีดเท่านั้นสันญชาตญาณมันก็รู้เพได้นุ่งผ้านุ่งแ พ, งพรเพรได้กินเขากินน้ําพรได้กินนี่อย่างอีกแล้วไม่ต้สเสวยสเสวยสุกสเสวยทุกอัน อันนี้กรรมหลายจะทุกข์กันว ก, กหมอนกรกมาได้มัเกิดไงอือ <c> อ <oughs> ันพูดยังมีบ้าหนักบ้าหนาเพื่นเพืนั้นอุทิศไทยแล้วก็ย่อมกรรมย่อมกันก็คือเป็นเรื่องเป็นเล่าจะนโลกเห็นไหมออสองคนนี่มีการนี่ปัญหากันจับไปให้เจ้าหน้าที่ไป <c oughs> ให้ใช้ควอมกันถามไทยใช้กันว่าเป็นจังไรเป็นจังไรสาเหตุจังไร ทจ้าเมตเถกเกียรกอมมิตรวาไห่ร่งคว่ำกันในย่อมคว่ำกันนี่ยผันไปย่อมคว่ำกันกับฟ้องร้องเอาเงินเอาทองเนี่ยนันนี้เจ้ากรรมในเว้นคือกันนั่นแล้วเราก็ต้องการบุญถนฮมก็ต้องปฏิบัติให้มีบุญทำถุมถุมมือถุกมือสะสมไปมือเหล็กมือร้อยบอตายดอกเกศตำสินตำธรรมย่านตายเฮ็ดมาได้ทำมาได้ก็ไปว่าว่านังเดบอยงบะเถียงเกเลตเนี่ย สิ่งที่เหตุบ่ได้สิ่งที่ทําบ่ได้ปปุริเจ้าเป็นว่ายังบ่ทันเฮตุเนี่ยถ้าเขาเหตุเราทาเขาก็เหตุดได้เขาก็ทําได้เป็นกันเป็นกองปะพอแห้งแล้วปปุริเจ้าก็จะได้มาว่างไว้ mm. ท, ทั้งที่เจีตนะิหน้าเขาหาสินหาท่ำโดยความทุกข์ยากลําบากตากตำแทบล้มแทบตายก็เพื่อจิตสร้างสอนชัดโลกเป็นอย่างจิบไ่อยา ก, า ก, ากาายาสร้างสอนชัดโลก เวลาพระพุทธเจ้ามันแต่ตัดสรู้ไใหม่เลยม่นบวชติสั่งสอนโลกได้เาะวาธรรมะที่เล่าตถากรได้ปฏิบัติมานน่มันคื อ, อยากแท้ยากถามันชนธรรมดาค น, นาเอกถิเหตุไดเด้อเหตุดเด้อพิจนากลับไปกลับมากลับไปลับมาเก็บมือเก็ดเพื่อนจึงมาเตือนตนเองว่าแบบโอ้ขเขาเล่าก็บอเป็นคนพิเศษมาจากสยตัวน่ะ มีความภาคความเพียนเห็ดน้าเล่าตถาคตได้ตัสรูปมาเนี่กับข้นทุกได้คือกันเป็นจังได้ว่างสําหรับตํำราเป็นปไตยปิดดกมรขอดมาพวกูกเขานี่จักปีจักปีแล้วนี่แหละพราะฉะนั้นไหนมาปลูกซัทธาความเสือควมเหลื่อมใสเขาหลอกให้มากๆโลกสงสารนั่นนี่บอเทียงแท้เน่นอนเกิดขึ้นตั้งอยู่รับไปเห็นบอขันชิ้นทั้งบกับมาโลกคุนวีคุนไหวกันเสมอน ยังมาเพลินพูดกันบองดองสมานสามะคีปให้ความสุขเกิดขึ้นในประเทศชาติในคนไทยแต่ยังวานเลยบองดองแนวไหกันโมมนเน้นนักศิลธรรมซะหรกอกยากคือหรอกแต่มีความสุข <c oughs> สินธรรมไม่กลับมาโลกาพินาดด้วยอำนาจบุญกุศลนอกตน ญ, ญาติโยมด้เสียสละเข้ามาป ฏ, ปฏิบัติธรรมนทฏีนี้ เป็นบุญกุศลอำนาจบุญกุศลส่วนนี้อำนาจบุญกุศลหลวงปู่หลวงพ่อและคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงมารวมกันเป็นบุญเป็นกุศลจงปกป้องปกปักรักษาอบกลดญาตโยมลูกหลานให้มีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจปัจจัยทุกโศกโรคภัยกานงานสิ่งใดการเงินสิ่งใดปาฏิาริย์สิ่งหนึ่งอันใดก็จงสําเร็จจงสําเร็จส้มดังความมุ่งมั่รปัถนาจงทุกสิ่งทุกประการเถอ อเออ